ครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงเหตุผลที่ทำไมจึงยกญาณ น, นกถาขึ้นเป็นเรื่องแรกในปฏิสัมพิทาเนี่ยนะคือปฏิสัมพิธามีอยู่สามสิบเรื่องใช่ั้ยทำไมจึงยกเอาเรื่องญาณเป็นเป็นเหตุผลแรกในการแสดงสามสิบเรื่องก็เพราะว่าปัญญาเนี่ยนะถือว่าเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เนี่ยนะ เป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งกวงอะนะเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ปัญญาและศีลด้วยนะแล้วก็ปัญญาเนี่ยเป็นตัววินิจฉัยอะไรเป็นสัมมามัตเป็นมิจฉามัตคือข้อปฏิบัติชอบข้อปฏิบัติผิดปัญญาเนี่ยเป็นตัววินิจฉัยเนี่ยนะแล้วก็ปัญญานั้นอะเป็นการรู้อริยสัจเนี่ยนะรู้เหตุเกิดและความดับ ตัวปัญญาเนี่ยเป็นตัวเว้นมิจฉาทิฐิทั้งที่เป็นทิฐิในอดีตทั้งที่เป็นทิฐิในอนาคตเนี่ยนะแล้วก็พื่พุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในโลกนี้ก็สอนเฉพาะอริยมรรคเนี่ยนะทำสอนในพระไตรปิฎกก็คือสอนทั้งหมดเพื่อให้อริยมรรคนั่นแหละเกิดขึ้นทีนี้ในบรรดาอริยมรรคนะองค์ที่สําคัญที่สุดเลยในบรรดาองค์มรรคคือปัญญาคือสัมมาทิฐินี่ถือว่าเป็นเบื้องต้น นี่ในบรรดาปัญญาเลยนะเหตุปัจจัยให้เกิดปัญญามีอยู่สองประการคือเหตุปัจจัยภายนอกกับภายในทีนี้คนที่จะมีปัญญาได้เพราะเหตุภายในเลยนะมีอยู่สองท่านคือพระพุทธเจ้ากับพระปัเจกับพระุทธเจ้าอันนี้โยนิสงฆ์นัสิการเกิดขึ้นเป็นหลักแล้วบรรลุมรรคผลได้แต่ทีนี้คำพีเหล่านี้ไม่ได้สอนท่าพระพุทธเจ้าสอนพระปจเจกใช่ไหมก็สอนพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะเป็น สาวกก็ต้องอาศัยสุตมยะปัญญาอันในบรรดาโสตาปฏิยังฆ่าธรรมเนี่ยนะข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นพระโสดาบันองค์ที่สําคัญก็คือคบสัตบุรุษใช่ไหมครบสัตบุรุษเพื่ออะไรก็เพื่อฟังคําของท่านนี่ยนะฟังคำของท่านเพื่ออะไรก็เพื่อมนุิการตามที่ท่านกล่าวนนแล้วก็ปฏิบัติให้สมควรแก่แก่ธรรมที่ที่พระ อ, องค์ได้กล่าวไป แล้วก็ในขณะเดียวกันข้อปฏิบัติไปโดยลําดับเนี่ยนะตามกีตาคิริสูตรเป็นต้นนี่ก็นับตั้งแต่มีสัพทาเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้แล้วนั่งใกล้เ ง, งี่ยหูฟังทำทร ง, ทรงทรงจำทำเอาไว้แล้วก็เอามาพิจารณาเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่สําคัญที่ต้องยกสุตะมายญาณขึ้นเป็นอันดับแรกในในบรรดา ย, ยานทั้งหลายเนี่ยนะยานเจดสิบสามเนี่ยยกเอาสุตตะมายปัญญานี่ขึ้นเป็น ลำดับแรกนะแล้วก็พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกบัมเพญบารมีมาก็เพื่อแสดงธรรมเนี่ยนะเพื่อแสดงธรรมก็ถ้าไม่ประสงค์จะแสดงธรรมแบบแบบนี้เนี่ยนะะองค์ก็จะข้ามแต่พระองค์เดียวก็เมื่อสีอสงไขที่แล้วนี่ในบรรา ย, ยายนทั้งหลายเนี่ยนะสุตตะมายายานเป็นยานแรกคำว่าสุตตะมายายานก็คือมาจากพุทธพุธบาลีที่ว่า โสตาวัาเนปัญญาสุตตามเยยานังอปัญญาที่เกิดจากการเงี่ยหูลงฟังทำที่ได้ฟังมาแล้วสามารถกําหนดจดจาทรงแล้วมาพิจารณาเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าสุตามยะปัญญาโสตาวัฏธรรเนี่ยนะก็คือปัญญาที่เกิดขึ้นเงี้ยโสดลงฟังสั่งสมสุตะสังสมพระธรร ม, มำคำสอนเหล่านั้นเอาไว้ ทีนี้ถามว่าปัญญาที่ฟังนะที่เกิดจากการฟังเนี่ยถามว่าฟังอะไรทบทวนนะหัวข้อใหญ่ๆที่ที่ฟังก็มีสิบหกหัวข้อนะซึ่งอันนี้จะจะพูดเป็นอารำพบตเอาไว้ให้ได้ยินก่อนจำง่ายๆก็ทำมาห้าคำนะหนึ่งอภินัยยธรรมสองปริญยยธรรมสามหาตตประธรรมสี่พาเวตตประธรรมห้าสัชิกาตตประธรรม เหมือนเมื่อเช้านะเมื่อเช้าเนี่ยเราเรียนน่นั่นแหละห้าห้าข้อนั่นแหละอันนี้หนึ่งชุดนะชุดอภินัยธรรมเป็นต้นชุดที่สองก็คืออะไรนะหานาภานะภาคยะส่วนแห่งความเสื่อมภาคยะแปลว่าส่วนหานะแปลว่าเสื่อมส่วนแห่งความเสื่อมหนึ่งนะสองส่วนแห่งความดำรงอยู่ทิติเนี่ยนะดำรงอยู่สามวิเศษภาคยะคือวิเศษพิเศษขึ้นสี่ นิเพทพาคิยะส่วนแห่งการชำรกกิเลสอันนี้ก็เป็นชุดที่สองมีอยู่สี่ข้อเนี่ยนะแล้วก็ไตร ล, ลักษณ์อีกสามคืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอีกสามข้อนี้เรียกว่าติลักษณะเนี่ยนะลักษณะสามแล้วก็สุดท้ายชุดสุดท้ายก็คืออริยสัจสี์เนี่ยนะนี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนนโรนี้ทุกขในโรทคามินีปฏิปทา ผู้ที่มีปัญญาเงี่ยโสดลงฟังแล้วก็ทรงจมคำเหล่านี้คำสอนเหล่านี้เอาไว้ได้เรียกว่ามีสุตะมยะปัญญานี่มาขึ้นในหน้าสามสิบเก้าเลยนะว่าสุตวานสังวเวรปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการฟังแล้วก็สังวรเอาไว้ชื่อว่าสีละมยะยาน สีละมายาญาณญาณแรกสุตตะมยาญาณนะญาณที่สองเป็นสีละมายาญาณแต่เป็นการสังวรตามที่ฟังมานะฟังยังไงแล้วมาสังวรได้นั่นแหละเป็นสีระมายาญาณทีนี้คําว่าสังวรเนี่ยนะสังวเรเนี่ยสังวเรตัวนั้นนหละสุตวานะสังวเรปัญญาสังวเรสังวรสังวรตัวนั้นแปลว่าแปลว่าปิดหรือแปลว่ากั้น ปิดเหมือนปิดอะไรเหมือนปิดประตูนะกั้นก็เหมือนกั้นกำแพงนั่นแหละตัวที่ปิดตัวที่กั้นนะโดยศัพเนี่ยโดยศัพท์คำว่าสังวรมีอยู่ห้าประการคือหนึ่งาติโมขสังวรหรืออาจจะคุ้นเคยในฐานาวะว่าสีละสังวรก็ได้สองสติสังวรสามญาณสังวรสี่ขันติสังวรห้าวิริยะสังวร ท่นคำว่าสังวรเนี่ยเป็นชื่อของการห้ามการปิดการกั้นก็เหมือนกับปิดช่องปิดหน้าต่างปิดประตูอย่างเงี้ยนะเรียกว่าปิดทีนี้ศัพท์ว่าสังวรเนี่ยนะตามนพระไตรปิฎกท่านก็ยกข้อความมาจากที่ต่างๆเช่นคําว่าปาติโมคขสังวรก็คือยกในอภิธรรมว่าเป็นผู้เข้าถึงเข้าถึงพร้อมเข้ามาเข้ามาพร้อมถึงแล้วถึงพร้อมแล้วประกอบพร้อมด้วยปาติโมคขสังวรนี้เนี่ยนะเป็นผู้ สมบูรณ์ด้วยปาติโมกขสังวรมีอาจาระและโคจรเห็นภายในโทษมาตว่าเล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายอันนี้แหละเรียกว่าปาติโมกขสังวรหรือชื่อตรงเต็มก็ว่ากสีลสังวรก็ได้แต่คําว่าปาติโมกขสังวรเนี่ยนะปาติโมกสังวรนี่ถ้าจําง่ายๆว่าปิดอบายก็ได้แต่ว่าปิดอบายแล้วก็รักษาสุขติเอาไว้นะปาติโมกสังวรฉะั้นผู้ที่รักษาปาติโมกสังวรเนี่ยหมายถึงว่าผู้ที่ ปิดอบายแล้วก็รักษาเอาไว้ให้ในสุขติเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดถ้ารักษาปาฏิโมกข์ไว้ได้นะมนุษย์ได้กลับมาอีกแน่เนี่ยนะส่วนสังวรอย่างที่สองเรียกว่าสติสังวรเนี่ยนะสติสังวรเราคุ้นเคยกันในฐานะอินทรียสังวรอย่างที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุเห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะนิมิตคืออะไรนิมิตว่าหญิงนิมิตว่าชาย อนุพยัญชนะก็ลงในรายละเอียดแล้วผมงามเล็บงามฟันงามคิ้วงามจมูกงามอะไรก็ว่าไปเรื่อยเนี่ยนะพวกนี้ถือโดยอนุพยัญชนะเพราะฉะนั้นไม่ถือโดยนิมิตกับไม่ถือโดยอนุพยัญชนะทีนี้นิมิตเนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มอีกคือนิมิตที่เป็นที่ตั้งแห่งราคาเรียกว่าสุภาษณิมิตนิมิตเป็นที่ตั้งแห่งโทสะเรียกว่าปฏิฆานิมิตเนี่ยนะไม่ถือนิมิตว่าหญิงว่าชายแล้วก็ไม่ถือโดยสุภาษณิมิตกับ ปฏิคะนิมิตปฏิบัติเพื่อสํารวมจากขุนศีถามว่าถ้าไม่สํารวมแล้วมีโทษยังไงคือเมื่อไม่สํารวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุโสธรรมอัลามกคื่คอพิชาและโทมนัตเนี่ยครอบงําชื่อว่าถ้าผู้ที่สังวรไม่ให้อภิชากโทมนัตครอบงํำอย่างนี้แหละเรียกว่ารักษาจากขุนศีชื่อว่าถึงความสํารวมในจากขุนศีอย่างนี้แหละเป็นสติสังวร นะถ้าผู้ที่เรียนเรื่องศีลมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะถ้าปล่อยให้ราคะเกิดอย่างเดียวเนี่ยนะจะต่อด้วยศีลอะไรบ้างคนคนโลภเนี่ยจะทําให้ทําชั่วอะไรได้บ้างฆ่าสัตว์ได้ไหมอ่านะความโลภเป็นเหตุให้ฆ่าสัตว์ต่อไปก็ได้เป็นเหตุให้ทําอัตินนาทานก็ต่อไปก็ได้แล้วความโกรธอะ ท่านดูเลยว่าไอ้ตัวความโลภ ก, กับความโกรธเนี่ยมันเป็นเหตุให้เรื่องทุจริตกรรมอีกตั้งมากมายอันผู้ที่มีอินทรีย์สังวรก็คือระวังไม่ให้ไอาตัวความโลภ ก, กับความโกรธเนี่ยเกิดขึ้นเพราะไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวตัวการสําคัญที่จะทําให้ล่วงปาติโมคสังวรนั้นสติสังวรหรืออินทรียสังวรเนี่ยถือว่าเป็นด่านแรกของศีลสังวรเนี่ยนะรักษา อุปมาปาติโมกข์สังวรเหมือนกับนาข้าวที่สุกออกรวงเต็มไปหมดเลยนะอินทรีย์สังวรก็เหมือนกับรั้วรอบขอบทิดที่รักษาไม่ให้เสียหายสติสังวรเนี่ยนะอีกที่หนึ่งก็บอกว่าเหมือนกับการปิดแผลก็ได้นะเนี่ยนะมันเหมือนแผลนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นเหมือนกับแผลมันก็รักษาไม่ให้มันเน่ามันอักเสบเนี่ยนะคนนี้จะต้องอ า, อาศัยสติ ทีนี้คำว่าสตินี่คืออะไรระ ล, ลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้นานได้เนี่ยนะนี่เมื่อเร า, เ, าเห็นเราได้ยินเนี่ยนะอย่างไรชื่อว่ามีสติแล้วไม่ให้บาปเนี่ยไหลเข้ามาทั้นจะต้องรู้จักอบรมกุศลรธรรมอย่างอื่นนะที่เป็นเป็นอะไรฮิริโอต ป, ปะท่านบอกว่าอินซีสังบลเนี่ยนะฮิริโอต ป, ปะนะเป็นตัวที่สำคัญ เพราะว่าคนที่ไม่มีอินทรีย์สังวรน่ะนะโดยมากก็ปล่อยใจให้เพลดิดเพลินไปในอารมณ์ต่างๆหรือขัดเคืองไปในอารมณ์ต่างๆอันผู้ที่มีอินทรีย์สังวรเนี่ยพวกนี้เป็นพวกที่อายชั่วกลัวบาปนรังเกียดในอารมณ์ที่จะปล่อยให้บาปเหล่านั้นอ่ะเกิดขึ้นตัวอารมณ์จริงๆอ่ะนะสีเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์ไม่ใช่บุญบาปใช่ไหมแต่รู้ว่าชาวนะของเราที่ไปส่องเสรเนี่ยจะก่อเป็นตัวบุญตัว บาปคิดยังไงไม่ให้ชาวนะเป็นบุญและเป็นบาปพื้นฐานของคนที่จะห้ามอภิชาได้อย่างแท้จริงนะต้องเจรินายกลุ่มอสุภะเนี่ยเป็นตัวรักษาเป็นอย่างดีถ้าจะห้ามโทสะก็ต้องเจริญเมตามตาเป็นปกตินะจึงจะห้ามอภิชากับห้ามโทมนัสได้เนี่ต่อไปสังวรอีกสังวรหนึ่งคือ อย่างที่เราเรียนจุลนิเทศไปนะว่ากระแสะเหล่าใดในโลกมีอยู่สติเป็นเครื่องกั้นกระแสะเหล่านั้นเรากล่าวสติว่าเป็นเครื่องกั้นกระแสะทั้งหลายกระแสะเหล่านั้นอันบัณฑิตย่อมปิดได้ด้วยปัญญาอันนี้เป็นญาณสังวรตัญญาตัวนั้นเป็นชื่อของมรรคปัญญานะตัญญาเนี่ยเป็นตัวกัน้นกั้นอะไรกั้นกระแสะตันหาได้อนะ่ะปัญญาที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะ ส่วนสังวรในที่อื่นอีกก็คือพิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วใช้สอยจีวรเนี่ยนะเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเรียกว่าปัจยะปฏิเสวนาสังวรปัจยะปฏิเสวนาสังวรก็คืออะไรปัจยะสามนิสิตาสินพวกนี้ก็สงเคราะห์ลงด้วยญาณสังวรเนี่ยนะเพราะเป็นการเข้าไปพิจารณาถึง ประโยชน์ของการบริโภคปัจจัยสี่ว่าการบริโภคปัจจัยสี่ไม่ได้เพื่อสนองราคะโทสะและโมหะแต่เป็นการบริโภคเพื่ออะไรถ้าผ้านะพิเศษของผ้าคือเพื่อปกปิดอวั ย, ยวะอันให้เกิดความละอายถ้าอาหารก็เพื่อบำบัดเวทนาเก่าและไม่ให้ทุกขเวทนาใหม่เกิดขึ้นถ้าที่อยู่อาศัยก็เพื่อหลีกเล้นสาหรับภาวนาเนี่ยนะ อันนี้เป็นเหตุสําคัญของที่อยู่อาศัยส่วนยาก็เพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บเป็นอย่างยิ่งการที่เจรนาโดยเยบคายหรือโดยรอบครอบแล้วบริโภคปัจจสี่ห้ามบาปห้ามอากุศลนะแล้วก็ให้เจริญกุศลได้ในปัจจสี่เหล่านั้นนั่นแหละเรียกว่าปัจยะปฏิเสวนาสังวรตัวอาหารเนี่ย อาหารที่เราบริโภคเนี่ยถ้าถ้าว่าโดยอาหารสี่ก็คือกับพรีงกระหานเน่ยไหมพวกเครื่องนุ่งห่มทั้งหลายนี่เป็นอาหารประเภทไหนเป็นกลุ่มผัสสาหารเนี่ยนะผ้านีเครื่องนุ่งห่มเป็นผัสสาหารแล้วที่อยู่อาศัยก็ผัสสาหารแต่ถามว่าผู้ใดเป็นผู้บริโภคบอกวิญญาณอาหารเป็นตัวบริโภคเนี่ยนะก็ทําทุกอย่างเพื่อให้ เนี่ยทวีปัจจามันเกิดดีๆเนี่ยนะแค่นั้นแหละพวกนี้จะต้องพิจารณามากอนะอันคนที่พิจารณาปัจจัยสี่มากเนี่ยนะพวกนั้นจะเข้าใจปัจจัยเยอะโดยเฉพาะกลุ่มอุปนิสัยปัจจัยเนี่ยนะประตูปานิสัยปัจจัยนั้นที่สําคัญสําคัญเลยก็เกิดจากปัจจัยสี่เป็นหลักเนี่ยนะตอนอันนี้ด้วยปัญญานะปัญญาเป็นตัวพิจารณาส่วนสังวรต่อไปอีกคือขันติสังวรพุทธพจน์กล่าวว่า เป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวรหายสัมผัสแทงเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานเป็นผู้มีชาติแห่งผู้อดกลั้นต่อถ้อยคำที่ผู้อื่นกล่าวชั่วร้ายหรืออดกลั้นต่อเวทนาที่มีอยู่ในตัวซึ่งบังเกิดขึ้นเป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่เป็นที่ยินดีไม่เป็นที่ชอบใจอันจะฆ่าชีวิตเสียได้นี้เรียกว่าขันติสังวร